เดินจงครมต่างจากเราเดินในชีวิประจำวันยังไงบ้างคุอครับสอนไปเนี nei, ่ยเรารู้ว่าเราเดินเนาะทั้งที่เราก็เดินมาตั้งแต่หัวหนึ่งประมาณนั้นใช่อหมในท่วั่วที่เราเดินเนาะถ้าเราเดินในตลาดเนี่ย ใจเราอยู่กับตรงไหนสินค้าสิด <c> ค <oughs> ้าที่เขาขายข้างทา ง, ทางใช่ไหมฮะเราเดินในสวนอุทยานดีใจเราก็อยู่กับต้ื่นมากกับนกกับสัตว์ใช่ไหมฮะใจเราจะไม่ค่อยอยู่กับตัวเองแต่เราจะไปอยู่สิ่งนอกข้างกตุ้นใช่แต่ถ้าถ้าช่วงไหนเรารีบร้อนนะใจเราก็จะไปก่อนตัว เราดิ๊ดจะไปทำมานนะ่ะใจเราจะไปถือก่อนลนะ่ไหรือถ้าบางทีเราห่วงอะไรบางอย่างตัวเราไปข้างหน้านะแต่จใจเราดึงอยู่ที่บ้า น, นยังอยู่ที่ใครสักคนที่เราห่วงอยู่ใช่ไหมมันไม่ไปด้วยนะี่คือมันจะถ้าเราไม่ทิ้งใจไปข้างหลังก็ใจก็เผลอไปข้างหน้าหรือมันก็ข้างทา ง, ทางนะเราจะดึงตัวมันเหมือนกับเรามีชีวิตอยู่ แต่พรเห็ ว, ว่าตัวกับใจเนี่ยมันไม่หยุดเดกันใช่ไหมนี่ยการมีส ต, ติเนี่ยมันทําให้เราได้กลับมามีชีวิตก็คือเรามารู้สึกถึงสิง่งที่เราต้องทําตัวกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันนะแต่เป็นหนึ่งเดียวกันในที่นี้แม้บางทีร่างกายมันเจ็บปวดท้องปวดหัวหรือไม่สบายคําว่าเป็นหนึ่งเรากลับมารู้เนี่ย มันจะมีการเป็นผู้ ด, ดูเฉยมันจะเห็นว่าอ๋อที่เจ็บที่ปวดมันเป็นเรื่องของกายแต่ใจถ้าดูเฉยๆเนะี่ยไม่เป็จนจมด้วยเนะี่ยมันไม่ทุกนะักใช่ไหมแต่ถ้าคนปกติไม่ฝืนเะนี่ยพอกายเราทุกใจก็มันทีทุกยิ่งกว่าใช่ไหมแต่ถ้าตอนมีิจะติดเราจะเห็นอ๋ออันนี้ไมห่หิวเกี่ยวในเรื่อง ธรรมาชาติจะหิวจะตายเนี่ยหรือเรื่องของใจใช่ไม้มหิวจะตายอยู่แล้วนะอืเบื่อจะตายอยู่แล้วนะร้อนจะตายอยู่แล้วเนะีเรื่องของใจนะบางทีร้อนถ้าเราไม่ทุกข์มากเนี่ยมันก็แค่ร้อนตายนะอะ ม, มันไม่มไม่ทุกข์ใจนะมันจะเห็นนะสติจะทางทีเราอยู่กับแม้แต่เวทนาของตายแลาต้องอยู่ อยู่ไทยอยากจะถามเพื่อหน่อยตนไหมก่อนที่เราจะเมกตอนตอนวันอาจา้นคะไมอย่างเราเคลื่อนไหวมือในขณะที่นันาา่งอย่างี้คะถึงว่าไม่ควรหลับตาที่จริงก็ไม่ใช่ว่าหลับตาไม่ได้หรอกแต่ก็พยายามพึกให้มันใกล้เคียงกับชีวิตประจำวันของเราเช่นเราขับรถเราก็ต้องลืมตาเราล้างจานเราปอดบ้านเราก็ ตาไปด้วยแต่แต่ฝึกว่าแม้ตามันเห็นสิ่งภายนอกแต่ความรู้สึกให้เรากลับรู้สึกที่ที่ร่างกายของตัวเองแล้วอีกอย่างหนึง่งบางทีถ้าอันนี้อาจจะไม่ได้ทุกคนนะบางทีถ้าหลับตาบางทีมันจะเหมือนเราจะคั่นข้างแบบเขาเรียกว่าส่งจิตเข้ามันเพ่งที่ตัวเองอย่างเดียวปิดการรับรู้อืนะ่นนั้นพอเรามาสนใจแค่แบบเหมือน ไม่สนใจสิ่งภายนอกสนใจแต่ตัวเราเองข้างในมากเกินไปอ่ะถ้าฝวางใจไม่เป็นมันก็ดะกลายเป็นการจ้องเพ่งเข้าไปข้างในแต่วิธีแบบนี้มันเหมือนไม่เข้าข้างในมากเกินไปแล้วก็ไม่ผกออกข้างนอกตอนหลวงพ่ อ, ขอเขียนท่านตึกใหม่ๆตอนบวชใหม่ๆนะอลวงพ่อปฏิบัติอยู่ในปุ่นหลวงเทียน ที่เป็นอาจารย์ขององเขียนนะท่นเดินไปหาที่กุติก็ถามพ้องเขียนว่าทำอะไรอยู่น่ะท่านนั้นเรียกอาจารย์ขงเขียนคือยังเป็นพระหนุ่มๆอยู่เนาะทำอะไรอยู่นะพ่องเขียนบอกว่านั่งยกมือตั้งยังัดอยู่พ่อเขจะชอบนั่งกินผหนังแล้วก็ยกมืออยู่ในห้องปิดประตูปิดไม่รู้ปิหน้าต่างหรืเปล่าไมรู้น่ะจะปิดประตูอยู่ประมาณพ่อขงเขียนถามว่า เห็นข้างนอกปุ๊อเปล่าพ่อเทียนบอกไม่เห็นครับอทางใถึงจะเห็นพ่อพ่อก็ออบอกพ่อสังแล้วอ่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็อยูตรงประมานหน้าประตูเนาะพ่อเทียนนั่นอยู่ข้างล่างอยู่ข้างนอกอพ่อเทียนก็ถามเห็นข้างนอกไหมเห็นครับเห็นข้างในไหมเห็นครับให้ทำแบบนี้นะแล้วก็เดินหนีไป ตอนพ่ อ, ขอเขียนตอนแรกก็สงสัยพ่อเทียนพูดแค่แนี้ยแล้วก็ไปมาทิ้งปีศาจทำให้ให้ท่านเข้าใจตอนแรกท่านก็ไม่เข้าใจมากอรัความหมายของพ่ อ, อเทียนก็ไม่ใช่ว่าให้นั่งปฏิบัติอยู่หน้าหน้าประตูตงแต่สามว่าเห็นข้างนอกเห็นข้างในที่เห็นทั้งความรู้สึกพิเศษขึ้นในตัวเราหรือบางทีมีการกระทบจากข้างนอก แต่ที่เราจะดูดไปดูจากแค่ข้ายนอกเราจะฟังดูตัวเองเช่นสมมติโยมไปเดินในห้างนะเห็นกระเป๋าสวยแทนที่เราจะไปแค่ดูว่ากระเป๋ามันสวยเราจะเห็นว่าใจเราชอบมันจะต่างกันนะเห็นว่ากระเป๋ามันสวยคนส่วนใหญ่ก็เิ็นแบบนั้นรู้แบบนั้นได้แต่คนจะเห็นว่ารู้ทันว่าใจเราชอบแล้วก็เห็นว่าใจมันชอบเนะี่ย มันจะต่างกันใช่ไหะบางทีพอเห็นว่าสวยเราจะม่เลือกทางใใจเราอยากเราจะไปนี่นี่สนองความอยากเพราะมันต้องไปดูต้องไปซื้อประทุกก็จะรู้ว่ามีความสุขแต่การเห็นดีเฉยนะเออมันทําห้เราเห็นตัวเองว่าที่เราชอบอันนี้เราไม่ชอบอันนี้มันกลับมาดูตัวเองดังนั้นการดูลูกตาก็จะช่วยให้บางทีถ้าเราปฏิบัติธรรมดาบางทีเราเห็นเพื่อนรู้เป็นเพื่น บางทีนอกจากเราจะรู้สึกตัวกับการเคลื่อนมือแล้วเรายังเข็ใจเราที่บางทีไปโทษคนนั้นเดินช้าคนนั้นขมง่วงนอนไม่ดีเลยบางทีไรจะเผลอบางทีบางคนไปเพ่งโทษคนอื่นมันจะทําให้เราเห็นตัวนั้นด้วยแล้วก็แต่ถ้าเราบางครั้งมันตามีปัญหามีอะไรก็ก็ตับตาก็ได้นะไม่ใช่ว่าก็ดับไม่ได้แต่ถ้าดึงตาก็อ มันจะทำให้เราเป็นไปยุบ ก, กับชีวประจามันได้ดีแล้วก็บางทีไอ้ตัวที่ตามันเห็นนั่นแหละมันจะทำให้เราทดสอบหรือว่าความรู้สึกในการเห็นนั้นรู้สึกอย่างไรคนอื่นมีอะไรถามเพิ่มไหมนี่คถามต้อถามก่อนเลย ทงนเนีทยังได้จะจะไปนอนไหมมนอนได้อเหน แพงมันก็ต้องง่วงนะธรรมดาพอทานใหยเสรแล้วนอนหลับมันก็ต้องง่วงนะง่วงแต่วันนี้โยมก็ลองดูว่าแต่ที่แต่เรามาตั้งใจมาที่นี่ก็จะลองลองฝึกไปก่อนนะนะแต่ถ้าเราอยู่ที่บ้านเราจะนอนพักตื่นขึ้นมาก็มาทําก็ได้เพราะว่าเรามีปัญหาสุขภาพนะมันก็มันก็พักผ่อนก็ได้ แต่บางทีโยมแม้ไม่ทานยาปฏิบัติตัวงั่วเพราะอะไรมันบางทีก็เพราะจิตมันไม่ค่อยไปคิดเรื่อมันคิดแป๊บเดียวออกกลับมาแล้วล่ะมันไม่ได้สนุกกับความคิดที่คนตื่นตื่นว่าอะไรมันคิดเนาะเคยนอนไม่หลับไหมไม่เคยเลยนะไม่เคยเลย่ะหลับง่ายเออดีมากตอนมีบุญ แต่ใครเองนอนไม่หลับไหมหรือว่าดับช้าดับยากอืบางทีเป็นชั่วโมงแล้วนอนยังไม่หลับเลยใช่ไหมใช่ไหมคนใหญ่นอนไม่หลับก็อะไรบางทีก็คิดนะคิดคิดนั่นคิดนี่แล้วก็เลยไม่หับแต่คนหลับง่ายนี่มีบุญนะอืมแต่คนคนหลับยากแต่ถ้ามีสติก่อนหลับก็ถือว่าเป็นการฝึกสติเลยนะ นอไม่หลับก็ชําของมันก็ก็ก็รู้สึกตัวไปรู้สึกตัวไปเรื่อยๆมันจะหลับเม่อไหร่ก็เรื่องของมันนะแต่ถ้าใจเราขาดสติบางทีนอนไม่หลับเนี่ยก็จะส่วนหนึ่งก็รูึกเครียดกับสิบกระาวคิดอีกส่วนหนึ่งก็ไปกังบลว่าพรุ่งนี้จะตื่นไหวไหมจะนั่นจะนี่ใช่ไหมมันก็แต่ถ้าเรานอนไม่หลับก็เรื่องของมันก็รู้สึกตัวไปนะ รู้สึกัวไปก็ก็ได้แต่ก็โยมถ้าม่งงวงก็อย่างที่ว่าถ้าทําให้มันเร็วๆขึ้นความมันชัดขึ้นนะจะเดินบ้างเร็วเร็วให้มันผ่อนคลายหายใจลึกๆหายใจออกยาวๆหายใจเข้าลึกๆแบจะช่วยให้มันตื่นขึ้นมายิ้มให้กับตัวเองนะมันจะทําให้เหมือนประเด็ว่ามัน ยิ้มก็คือตื่นมันคือสัเกมวหน้ายิ้มกับหน้าเบื่องเนี่ยตจต่างอยู่ดีๆก็ยิ้มขึ้นมาเองต่นยิ้มตัวเองยิ้มหมนช่วยตัวเองอรอไม่ได้ไปยิ้มยอะอะไรนะมันก็มียิ้มแบบแง่ยิ้มแบบช่วยให้อารมณ์สดชื่นขึ้น กอีกอย่างหนึ่งถ้าเรามีทักษิณดียมันจะเป็นการเหมือนยิ้มแบบรู้ทันรู้ทันีเลยจำเป็นไหมบางทีแบบเหมือนมีคนจะมามัดไหนเรารู้ทันมันเหมือนเหมือนเราเล่นเกมกับใครแล้วเรารู้ว่ามันออกมามุกเนี้ยเราจะไปแบบไหนมันมันเป็นการยิงเหมือนไม่เราไม่โดงกลัวมันนะเข้าใจไหมคิดเลยมันมาหลอกให้เราอยากไปแล้วเราเราเห็นมัน มันเหมือนมันอยากแต่เราไม่ทำตามมันก็ได้มันเหมือนเหมือนเราแกล้งเด็กนะแกล้งไปหมาลับไปมันก็ไม่ไม่กลัวเข้าทำร้ายมันมันคล้ายแบบนั้นเหมือนใคล้ายถ้าเรารู้ทันตัวเองมันจะเหมือนคิดเหตเกิดขึ้นเน่ยเราไม่กลัวเราไม่กลัวเรารู้วิธีแก้ไขแล้ว บางทีก็ยิ้มบางทีมันก็เฉยก็ก็จะได้ไม่เป็นไรแต่บางทีแล้วก็ท่านเครียดมากหรือท่านมันง่วงมากไอ้พวกี่มันจะช่วยให้มันมันมันผ่อนคลายขึ้นหรือว่ามันตื่ขึ้นมาเป็นอุบายเป็นอุบายนะแต่ที่บางทีที่พูดว่าบางทีจิตมันยิ้มของเองเนี่ยเพราะเราทันกิเลสนะมันก็จะทันตนงมันก็ดีกว่าหรือบางทีบางคนพอคิดถึงการมันดีกว่ะมันจะเริ่มเครียด ใช่ไหมคิดถึงการปฏิบัติบางทีก็จะต้องทำฝืนฝืนต้องฟืนๆต้องเหนื่อยเบื่อใช่ไหมเราไปคิดว่าแบบนั้นเหรอคือเขาพูดเจ้าเจ้าคือพระสงฆ์ใช่ไหมไม่ไม่ใช่นะนั้นเหมือนคล้ายๆคนติดยามากกว่าพู้เจ้าดูพลาดๆท่าน ยิ้มสงบแต่ก็ตื่นรู้ไหที่จริงแม้เราไม่เป็นรู้เจ้ายังไม่เป็นพระสัหันแต่สภาวะที่มีสติมันก็ใกล้เคียงนะแต่ทีนีน้มันไม่ถาวรนั่นไม่ใช่ว่าเราจะเป็นได้ตลอดแต่จะ ม, มีสติหนึ่งเหมือนที่คล้ายประปุดขึ้นมานิดนึงตอเ น, นื่อนนงเพราะผู้เจ้าก็าเพียงแค่เป็นผู้ที่มีสติต่ตอเ น, นื่องตลอดเวลาเราเป็นผู้ที่ลองฝึกก็ อ, อาจจะมีสติ นาทีสิบเปอร์เซ็นอะไรก็แล้วแต่แต่ก็คือถ้าเราเพิ่มขึ้นไปเรื่อยยี่สิบเปอร์เซ็นสามสิบเอร์เ็นส่ิเอร์เ็นแต่ก็ใกล้เคียงของคุเจ้ามากขึ้นเร่องไหมแต่ถ้าคนธรรมดาไม่เกิดตุ้นนะวันหนึ่งอาจจะมีรู้ตัวทีลักครั้งสองครั้งน้อยไหมน้อยใช่ไหใช่ไหมก็ถ้าเราขยันมากขึ้นเราก็จะพัฒนาตัวเองซึ่งเนี้ยพระคุณเจ้าท่านก็บอกว่าท่านเป็นเพียงแค่ผู้บอกแต่ผู้ที่ทำคือ ก็ขึ้นอยู่กับ เ, เราแล้วแต่เราจะทำหรือไม่ทำใช่ไหมครัอันนี้แหละคือผลที่เราลองทำดูเนาะอาจจะมาก็าแนะนําในสิ่งที่ผู้วิจารณ์ต้องบอกทานที่ที่ตกต่ำนะแต่ก็อยากให้เราได้ลองพิสูจดูซึ่งมันไม่ได้ยากเกินไปแต่แต่ต้องอาศัยความรู้บ่อยๆหรือบางทีทั้งในชีวิตประจำวันของเรามันจะมีเครื่องแบบเครื่องดึงดูดรอดใจเยอะ เดินในร้านห้างในหลาดนก็โห้อันนั้นก็สวยนี่ก็ชอบคนนี้ดีคนนี้ไม่ดีคนนี้สวยคนนี้หลอ่อคนนี้ขี้เดกอะไรกันแั้งแต่นะขับรถก็เหมือนกันบางทีใช่ไหมปุ๊บไฟแดงหุดห ง, งิดละมอเตอร์ไซค์ปาดซ้ายปาดขวามึงกิน่ะเราไปเพ่งเข้ามาเลยเราลองกลับมาดูตัวเองวิเป็นยังไงใช่ไหมเนี่ยคือในชะีวิตปราจำวันบางทีมันจะมีสิ่งกระตุ้นให้เราหลงดืมตัวไปเยอะ แต่เลองบองกลับมารู้สึกตัวดูมันจะช่วยให้เราในว่าในชีวิตประจำวันเราก็จะน่าเรียกว่ามีสติมากขึ้นแล้วก็ไม่หลงไปเปรยนะ์ไม่ใช่ว่าจะห้ามว่าห้ามโกรธนะห้ามอยากนะไม่ใช่พูดแบบนั้นนะแต่คืออยากได้โกรธได้ชอบได้นะแต่ให้รู้ทันเราเร็ ว, วนะใช่ไหมรู้ทันเราเร็ ว, วแล้วลองมาจะเห็นเองแหละว่าไอ้ที่เราอยากนะ มันอยากเพราะว่ากินเลยหรือว่าอยากเพราะว่าเป็นความจําเป็นใช่ไหมมันหิวอ่ะมันก็อยากข้าวเนี่ยมันจําเป็นนะแต่ของหวานเนี่ยมันอยากเนี่ยมันจําเป็นหรือว่ามันอยากใช่ไหมสุกัญญามันก็จะเป็นแบบนั้นมันจะรู้เองเนี่ยเสื้อผ้าที่อยากจะซื้อเนี่ยมันซื้อเพราะความจำเป็นหรือซื้อด้วยความถนองตันหาหรือมันก็ มันจะบอกตัวเองนะไม่ใช่ว่าอาจามาต้องบอกว่าโยมต้องมีเพื่อสามตัวต้องมีเก่งสี่ตัวมันอาจจะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวแต่โยมจะดูตัวเองได้ว่าเขามันจะควรทำไม่ควรทำแต่แบบนี้มันจะดูตัวเองแล้วถ้าเป็นความโกรธเป็นความหลงต่างๆมันเห็นนะมันจะเห็นแล้วจิตมันจะรู้เห็นว่ามันโกรธเนี่ยมันทุกข์หรือไม่ทุกข์ แล้วถ้ามันรู้เองเนะี่ยมันจะมันจะเลือกได้เองนะแต่ถ้ารู้แค่ความคิดเนะี่ยมันยังไม่ได้รู้ด้วยจิตจริงๆเนะี่ยมันทุกขมันก็ยังแบกไอยู่แหละก็แบก ร, รู้ว่าควรวางแต่ก็วางไม่เป็นแต่ถ้าสติมันไม่ต้องมันเหมือนเหมือนเราไปผูกความร้อนนะโยมไม่ต้องคิดว่าอันนี้มันร้อนควรจะวางแต่พอตูกปุ๊บออกทันที ไม่ต้องเป็นการบอกแตเป็นการที่พอเราคุยไปก่อนแต่ก็คิดกันนะทุกคนนะมันมันจะเป็นการโนม้มมาแต่บางทีมันยังไม่เป็นแบบนั้นนะมันเหมือนเออดือ้อติแบบความคิดอยู่ๆความคิดเออคิดได้วราอาจารย์บอกตอนนี้เรากำลังทำอะไรนะแเราก็กลับมาดูว่ากำลังเดินใช่ไหยพอกลับมาดูว่ากำลังเดินนะ่ะมันเหมือนจิตเราเหมือนเหมือนกำมืออยู่เห ม, มือนข้างขวาข้างนึง น, นะมัน มันรับรู้อารมณ์นิพิจัยเมื่อเรากลับมารู้ตัวว่ากําลังเดินมันก็จะวางความคิดไปอนนี้เหมือนมันก็ว่างะ่ะนะพอรู้ตัวมันก็ว่างพอลืมตัวอกีกก็เป็นแบบกแบบอ น, นี้ใหม่เนี่ยไอ้เจ้าบนี้พอรู้ตัวก็วางอันนี้แล้วก็จะดืมเป็นถืออันนี้แทนมันก็เป็นแบบนี้นะแต่ว่ารู้แล้วก็ว่างรู้แล้วก็ว่างแต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเนี่ยเราเดบแแบกเป็นนาน แบกเรื่องนี้เสร็จเลยไหมคิดเรื่องนี้จบก็เคิดเรื่องนี้ต่อคิดเรื่องนี้ต่อชั่วโมงนี้ยมีเราคิดกี่เรื่องหรือหรือบางทีก็เรื่องเดียวนะวนไปวนมาอย่างนี้นะลองฝึก ด, ดูนกลองไปลองมีสติในการเดินลงไฟมีสติในการทานข้าวทานนะ้ำลองดูน ะ, นะไม่ใช่ว่าต้องแบบเฉยๆไม่ชอบมี ไม่ทางอะไรนะแค่รู้ทันตัวเองแล้วก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของด้านกายรู้เท่าทันความรู้สึกที่เกิดขึ้นในจิตใจของเรานะเดี๋ยวพอใครทานข้าวเสร็จอะไรก็บางคนอาจจะเดีปีกไปเลยนจังกรมนั่งข้างบนหรือตรงนี้ก็ได้นะเดี๋ยวจะมาอาจจะปิดใหมท่ทีตั้งประมาณบ่ายโมงนะแต่บ่ายโมงก็กำลัู่นตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวขาดพักกันก่อนเนาะ